ธรรมบทแปลเรื่องที่78เรื่องพระสารีบุตรเถระภาคที่สเรื่องที่8ของวักที่7จ็อรหันตวรกวรณ น, นาข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระสารีบุตรเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอสัทโธเป็นต้น ความพิสดารว่าภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดประมาณ30สรูปวันหนึ่งไปสู่สำนักพระาศาสดาถว า, ายบังคมนั่งแล้วพระาศาสดาทรงทราบอุปนิสัยแห่งพระอระหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสเรียกพระสารีบุตรเถระมาตรัสถามปัญหาปรารบอินรี่ห้าอย่างนี้ว่า สารีบุตรเธอเชื่อหรืออินทรีย์คือศรัทธาอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมอย่างถึงอมตะมีอมตะเป็นที่สุดพระเถระทูลแก้ปัญหานั้นอย่างนี้ว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์ย่อมไม่ถึงด้วยความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคในอินทรีห้านี้แลว่าอินทรีย์คือศรัทธา และอื่นๆมีอามาตะเป็นที่สุดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอินทรีย์คือสถานนั่นอันชนเหล่าใดไม่รู้แล้วไม่สะดับแล้วไม่เห็นแล้วไม่ทราบแล้วไม่ทำให้แจ้งแล้วไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาชนเหล่านั้นพึงถึงด้วยความเชื่อต่อชนเหล่าอื่น ในอินทรีห้านั้นว่าอินทรีคือศรัทธาและอื่นๆมีอมะตะเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายฟังคำนั้นแล้วยังกระถาให้ตั้งคืนว่าระสารีบุตรเถระแก้แล้วโดวยการถือผิดทีเดียวแม้ในวันนี้พระเถระไม่เชื่อแล้วต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเดียวภิกษุทั้งหลาย พวกเธอกล่าวคาชื่ออะไรนั่นเราแลถามว่าสารีบุตรเธอเชื่อหรือว่าชื่อว่าบุคคลผู้ไม่อบรมอินทรีห้าไม่เจริญสมถะและวิปั ส, สนาสามารถเพื่อทํามรรคและผลให้แจ้งมีอยู่สารีบุตรนั้นกล่าวว่าพระเจ้าค่าข้าพระองค์ไม่เชื่อว่าผู้กระทําให้แจ้งอย่างนั้น ชื่อว่ามีอยู่สารีบุตรไม่เชื่อผลมิบากแห่งทานอันบุคคลถวายแล้วหรือแห่งกรรมอันบุคคลกระทาแล้วก็หาไม่อันหนึ่งสารีบุตรไม่เชื่อคุณของพระรัตนาสามมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็หาไม่แต่สารีบุตรนั้นไม่ถึงความเชื่อต่อบุคคลอื่นในธรรมคือฌานวิปัสสนามรรค และผลอันตนได้เฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นสารีบุตรจึงเป็นผู้อันใครใไม่ควรติเตียนเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมตรัสพระคาถานี้ว่าอสัตโธอัตันยูจะสั้นทิเชโทจะโยนโรหะตาวะกาโซวันตาโซสเวอุตมะโปริโสติ นราใดไม่เชื่อง่ายมีปกติรู้พระนิพานอันปัจจัยทำไม่ได้ตัดที่ต่อมีโอกาสอันกำจัดแล้วมีความหวังอันขายแล้วนรนั้นแหลเป็นบุรุษสูงสุดแก้อัดในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอสัตโทเป็นต้นพึงทราบวิเคราะห์ว่าดังนี้ นราชื่อว่าอาสัทโธเพราะอาจว่าไม่เชื่อคุณอันตนแทงตลอดแล้วด้วยคาของชนเหล่าอื่นชื่อว่าอกตัญยูพราดว่ารู้พระนิพพานอันปัจจัยทำไม่ได้แล้วอธิบายว่ามีพระนิพพานอันตนทำให้แจ้งแล้วชื่อว่าสั้นทิเชโดเพราะอาว่าตัดที่ต่อ คือวะตะที่ต่อคือสงสารดํารงอยู่ชื่อว่าหาตาวกาโซพราดว่าโอกาสแห่งการบังเกิดชื่อว่าอันระกําจัดแล้วเพราะความที่พืชคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมสิ้นแล้วชื่อว่าวันตาโซพราะอดว่าความหวังทั้งปวงชื่อว่า อันนารานี้ขายแล้วเพราะความที่กิจอันตนควรทำด้วยมรสีตนทำแล้วก็นาราเห็นปานนี้ใดนารานั้นแลชื่อว่าผู้สูงสุดในบรุษพระอาดว่าถึงความเป็นผู้สูงสุดในบรุษทั้งหลายด้วยความที่แห่งโลกุตรธรรมอันตนแทงตลอดแล้วในเวลาจบพระคาถา ภิกษุประมาณ30รูปผู้อยู่ป่าเหล่านั้นบรรลุพระอรหัสตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนที่เหลือดังนี้แลเรื่องพระสารีบุตรเถระ